มาจากที่ไหนมาจากกรุงเทพก่อนเอ่มาอังกฤษก่อนนะปมสิบคนนะเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นเพื่อนนร่วมงานนะวันนี้ไม่ต้องทำงานวันนี้ปิดบริษัทนะทำเกี่ยวกับอะไรนะแคมูสผมอ่ะแคมป์ู ที่นี่ไม่ซื้อเลที่นี่ไม่มีผมมีผมเราก็ต้องมีแชมพูมีหวีมีอะไรตามมาเยอะแยะไปหมดเลยที่นี่มีขายใบยที่นี่ซื้อใบมิโกนอย่างเดียวก็มีค่ะใบมิโกนแล้วก็สบายเดือนละครั้ง ก่อนนะเดินครั้งเดียวหวีก็ไม่ต้องใช้แชมพูก็ไม่ต้องใช้ดีป่ะเพราว่าคนเราจะดูคนฉลาดนึก ง, ง่อ้ดูที่ผม <c oughs> ผมยิ่งยาวคนยยิ่งโง่อ่ะมีภาระมากนะคนที่เขาไม่ต้องการมีภาระเขาก็เอาไว้ผมสั้นๆ ดูพระพุทธเจ้าเนี่ยใครจะฉลาดเท่ากับพระพุทธเจา้าพระเจ้าบอกให้โกนผมเลยจะได้ตัดปัญหาไปถ้ามีผมแล้วมันก็ต้องคอยดูแลรักษาอมาคนเดียวดูทางยู u b e ดูทางถ่ายทอดสดเลยว่า วันนี้ก็มีนี่สองกล้องนี่ใครอยากจะถามอะไรไหมมาว่าทำไมรูเป่าถ้าไม่ถามเราถามอะ่ะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นเหมือนโรงเรียนสอนขับรถเวลาเราจะขับรถถ้าเราขับนี่เป็นแเราก็ต้องไปเรียนก่อนใช่ไ ถ้าเราไม่ไปเรียนมันก็ขับไม่ได้หรือขับแล้วมันก็จะวิ่งตกถนนได้เราต้องไปหัดขับรถก่อนใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเราไม่รู้จักขับใจเรามันก็จะพาเราไปตกเหวตกบอ่อพาเราไปพบประสบอุบตัติเหตุต่างๆได้ถ้าเรามาศึกษาวิธี ควบคุมใจบังคับใจใจของพวกเราก็จ ะ, อ, ะอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยทำให้เราอยู่กันอย่างสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน ใ, นใจของเราเป็นรถยนต์เราเป็นคนขับรถยนต์ขับใจของเราแต่เรายังขับไม่เป็นเรามักจะขับใจของเรา ให้ไปพบกับปัญหาต่างๆให้ไปพบกับเรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าเราไม่รู้จักขับรถกันเราต้องมาศึกษาจากคนที่รู้จักก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้จักวิธีขับรถคือใจของท่าน ให้ไปสู่ที่เป็นสวัสดิภาพที่ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่งตางๆถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราจะไม่มีวันที่จะรู้จักวิธีขับใจของเราให้ไปอย่างปลอดภัยได้อานนี้ใจของเรายังมีเรื่องของความทุกข์ของความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆใช่ไนหะ เราเป็นคนขับไปหามันเองเรื่องวุ่นวายใจต่างๆเรื่องเศร้าโศกเสียใจเรื่องความวิตกกังวลเรื่องราวต่างๆที่เราไม่ไม่ปรารถนากันแต่เรายังเจอกันอยู่นี้ก็เป็นเพราะว่าเราขับไปหามันเองเราไม่เราไม่มีแผนที่หรือว่าไม่มีคนบอกทาง ว่าเรากวุ่นจะไปทางไหนกันเราจรึงต้องมาว่ดเพื่อที่จะได้มาศึกษาวิธีที่จะพาจิตใจของเราให้ไปสู่ที่ดีที่ดีที่ชอบที่สุขที่เจริญที่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเช่นวิธี แรกที่ท่านสอนให้เราก็คือทําทานทําทานก็คือถ้าเรามีเงินที่มากกว่าความจําเป็นที่เราจะต้องเก็บไว้เงินนี้มีไว้สําหรับซื้อของจําเป็นเรียงชีพเช่นปัจจัยสี่ทุกคนต้องเลี้ยงชีพของตนเองต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัย ถ้าเรามีพอเพียงแล้วเรายังมีเหลืออยู่ก็ให้รู้จักใช้เงินที่เหลือส่วนเกินนี้ให้เป็นประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นถ้าเราเอามาทำบุญ น, นี่เป็นวิธีที่เกิดประโยชน์กับเราและเกิดประโยชน์กับผู้อื่ทำให้เรามีความสุขผู้อื่นก็มีความสุข แต่ถ้าเราเอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดมันจะเกิดโทษกับเราอาจจะไม่เกิดโทษกับผู้อื่นแต่มันจะเกิดโทษกับเราเช่นถ้าเราเอาเงินไปใช้กับพวกอบายมุขต่างๆไปเล่นการพ น, นันไปดื่มสุรายามาไปเที่ยวไปเที่ยวกันเที่ยวยามราตรี สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพราะการใช้เงินแบบนี้มันจะมีแต่จะหมดแล้วมันจะทำให้เราติดติดเป็นนิสัยถ้าลองใช้ถ้าลองได้ดื่มโซามันก็ต้องดื่อยู่เรื่อยๆเรยพราะมันจะติดเรื่องการพ น, นันก็เช่นเดียวกันไปเที่ยวก็เช่นเดียวกันเที่ยวแล้วก็จะติดต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆ แล้วพอใช้ไปเที่ยวไปดื่มไปเล่นไปเดี๋ยวก็หมดหมดเราก็ต้องมาหาเงินทองกันถ้าเราต้องการหาไม่ง่า ย, ายหามากๆหาเร็วๆเ ร, ว เ, รวเราก็มักจะไปทำผิดกฎหมายบ้างผิดศีลธรรมบ้างไปช่อโกงไปหลอกลวง <c oughs> อันนี้ก็จะเกิดโทษถ้าผิดกฎหมายถ้าเขาจับได้เขาก็จะ จับเราไปลงโทษได้ปรับได้เช่นหนีภาษีหลีกเลี่ยงภาษีอยากจะเอาเงินไปเที่ยวอยากจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่อยอมเสียภาษีกันก็หลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือทำอาชีพที่หลอกลวงช่อโกงอันนี้มันก็จะทำให้เราผิดศีลแลรทำอาจจะไม่ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับแต่ มันก็จะเป็นโทษติดตัวกับเราไปเพราะใจของเรานี้มันไม่ได้หยุดที่ความตายมันยังไปต่อมันก็จะพาไปให้เราไปพบกับพบที่เราไม่ชอบกันคือไปอบายกันไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปใช้กับของเหล่านี้มาใช้กับ การทำบุญทำทานมันก็จะทำให้เรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจทำให้เราอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่เที่ยวก็ได้ไม่เด่มสุราก็ได้ไม่เล่นการพนันก็ได้แล้วก็มีประโยชน์เวลาตายไปมันเราเอาติดตัวไปได้คือบุญคือความสุขใจอิ่มใจนี่ เป็นเหมือนซับภายในที่เราจะเอาติดตัวไปทําให้เราได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์กันแล้วก็เงินที่เราทํานี้ก็เหมือนกับฝากไว้ในธนาคารชาติหน้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตหน้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็เบิกได้กลับมาเกิดกลับในครอบครัวที่มีฐานะดีไม่ยากจน พ่อแม่ราำรยเราก็สบายไม่ต้องมาเหนื่อยหาเงินหาทองแล้วเราก็จะได้มาทำบุญต่อทำบุญถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้เรียนรู้วิธีทำบุญเกือพาจิตใจของเราให้ไปสูงขึ้นดีขึ้นไปตามลำดับ พอนอกจากการทำทานแล้วก็ยังต้องมีการรักษาสีมีการภาวนาอันนี้เป็นวิธีที่จะพาใจของเราให้ไปที่สูงขึ้นดีขึ้นที่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเนี่มันเกิดจากการกระทำของเราเลยมีใครเป็นบังคับให้เราไปเดิมสุรากันนะมีใครเป็นบังคับให้เราไปเที่ยวกันนะ มีใครบังคับให้เราไปเล่นการพนันั้นไม่มีเราไปกันเองพอเราหลงคิดว่าเป็นวิธีหาความสุขแต่มันเป็นความสุขปลอมความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นชิ้นเล็กๆ เ, นะเนื้อชิ้นเล็กๆพอพุบเข้าไปแล้วก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเวลาถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากมันเจ็บนะ พอติดสุราแล้วมันเจ็บนะเวลาไม่มีสุราเดือมันเป็นยางไงคนที่ไม่ติดนี่ไม่เดือดร้อนคนที่ติดสุรานี่จะตายให้ได้เวลาไม่มีสุราให้เดือคนที่ติดการพรานันติดเที่ยวก็เหมือนกันอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ต้องออกไปเที่ยวอันนี้เป็นการพาใจของเราไปสู่ความทุกข์เอง โดยความรู้เท่าไม่ถึงการคือความหลงเนี่ยพวกเราขาดปัญญากันเราไม่ได้เข้าหาผู้รู้อย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราเข้ า, าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้เรีนได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เรื่องการใช้เงินที่ถูกต้องที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทําบุญแล้วจะมีความรู้สึกสบายใจสิ่มใจ ไม่ไม่มีความอยากที่จะไปเที่ยวหรืออยากไปทำอะไรใช้ของใช้เงินทองที่ไม่จำเป็นนอกจากกบายมุกแล้วก็ยังมีวิธีใช้เงินที่ไม่ควรอีกเช่นซื้อของไม่จำเป็นต่างๆเช่นเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเรามีพอแล้วไปซื้อมาอีกมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าเสื้อผ้านี้ก็มีประโยชน์ไว้สำหรับหุ้มห่อร่างกายปกปิดร่างกาย รักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขซึ่งเสื้อผ้าเราก็ใส่ครั้งละชุดเดียวยนี่แหละทำไมเราต้องมีเป็นร้อยชุดเราก็มีคนรจะมีพอกับความจำเป็นถ้าเป็นญาติโยมก็อาจจะต้องมีหลายชุดหน่อยก็ชุดทำงานชุดไปเที่ยวชุดเล่นกีฬาชุดอะไรต่างๆก็ซื้อไปตามความจำเป็น แต่ถ้ามีครบแล้วก็ไม่ควรที่จะไปซื้อมันเอรอให้มันขาดรใส่ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วค่อยซื้อมันถ้าซื้อด้วยความจำเป็นมันจะมีขอบเขตแต่ถ้าซื้อด้วยความชอบความอยากมันจะไม่มีขอบเขตไปเดินห้างเดี๋ยวก็เจอเห็นชุดนั้นชุดนี้ขึ้นมาก็อยากได้อยากได้ก็ซื้อซื้อซื้อ้วเงินมันก็จะหมดไปเดี๋ยวก็ไม่พอใช้ นอกจากซื้อเสื้อผ้าซื้อของอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆก็เหมือนกันไปแล้วมันก็ติดมันก็ต้องไปเรื่อยๆ อ, อันนี้ไม่ได้เที่ยวลาตรีเที่ยวกลางวันไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปสมุยไปอะไร ไ, ไปแล้วมันก็ติดมันก็อยากจะไปไปก็ต้องใช้เงินใช้ทอง เดี๋ยวเงินก็หมดไม่พอใจหรือไม่มีเงินมาทำบุญการใช้เงินตามความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นนี่เหมือนซื้อยาเสพติดให้กับใจซื้อแล้วมันจะติดมันจะต้อง ม, ตองมีต้องมีอยู่เรื่อยๆต้องซื้ออยู่เรื่อยเวลาไม่ได้ซื้อแล้วมันหยุดเหยียดคนจึงไปเดินห้างกันนี่แะบางทีไม่เดินไปเดินห้างเพราะว่ามันไม่ ม, มันขาดแคนหรืออะไร พระมันอดีตอยู่บ้านไม่ได้มีเงินอยู่ในกระเป๋ามันถ้ามันไม่หมดแล้วมันอยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าอยากจะใช้เงินก็ไปวัดสิหรือว่าไปทําบุญตามสถานที่เขาต้องการความช่วยเหือไม่ต้องมาที่วัดเพียงอย่างเดียวไปที่โรงพยาบาลไปที่สาถานะกุศลต่างๆ ทำได้หรือทากับคนที่ใกล้ตัวเราก่อนก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ทากับคนที่เขาเดือดร้อนพี่น้องคนไหนเขาหตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือกันได้อันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันทำแล้วจะทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจแล้วจะมีแต่คนรักเราจะไม่มีใครเกลียดเราการให้นี้จะเป็นการซื้อเมิตรภาพ ถ้าเราไม่เราไม่มีการให้เราจะไม่ค่อยมีมิตรเท่าไหร่ถ้าเราหมูแต่เอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของที่เราอยากจะได้เราจะไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงแต่ถ้าเราสงเคาะเพื่อนฝูงกันใครเดือดร้อนใครไม่มีก็ช่วยกันไปนี่เรียกว่าทานพระพุทธเจ้าสอนให้เราทานนี่เกี่ยวกับเรื่องการใช้เงิน ทองให้มันได้เกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษขึ้นมาแล้วชีวิตของเราจะพบจักความสุขกันคนที่ทำบุญ ท, ทาทานนี่ถ้าวัดตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่ตายด้วยอาวุธด้วยยาพิษเพราะไม่มีศัตรู ไม่มีใครจะมาฆ่าเราเพราะเราไม่ไปทำใครให้เขาเดือดร้อนมีแต่ให้ความสุขกับเขาแล้วก็นอนหลับก็ไม่ฝันร้ายตายไปก็ไปสูขสุคติไปสวรรค์ไม่ไปอบายเนี่ ย, ยชีวิตของเรายังมีอนาคตอย่างเยอะแยะที่จะตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้ว อย่าไปคิดว่าตายแล้วเป็นการสิ้นสุดของชีวิตเราตายนี่เป็นเพียงฉากหนึ่งเท่านั้นเองชีวิตเหล่านี้ร่างกายเหล่านี้เป็นเหมือนละครฉากหนึ่งเดี๋ยวออกจากโรงนี้ไปเราก็ออกไปอีกโรงหนึ่งออกไปนอกโรงจะ อ, ออกไปที่ร้อนหรือไปที่เย็นถ้ามีบุญก็ออกไปที่เย็นถ้ามีบาปก็ไปที่ร้อน ที่ร้อนก็เรียกว่าอบายที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขส่วนที่เย็ยนก็เป็นสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นที่ที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการรู้จักการใช้เงินให้ถูกต้องแล้วถ้าเราใช้เงินด้วยเหตุด้ผลเวลาเราเงินทองขาดแคนเราจะไม่ค่อยเดือดร้อนเราจะ อยู่กับตามมีตามเกิดได้แล้วเราจะไม่ต้องถูกกดดันให้ไปทำบาปหรือไปทำผิดกฎหมายในการที่จะหาเงินห า, าเพราะว่าสิ่งที่จำเป็นเกิดปัจจัยสีนี้เราก็มีพอเพียงหาก็หา ม, มเราก็ไม่ได้ใช้มากมาย แต่รู้จักใช้ปัจจัยสี่อย่างอย่างประหยัดอย่างอย่างมีเหตุมีผลก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องใช้มากอาหารมือละร้อยกับมือละห้าร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันใช่ไหมเสื้อผ้าชุดละพันกับชุดละหมือนมันก็เสื้อผ้าเหมือนกันน้าคนมีเหตุมีผลแล้วไม่จําเป็นจะต้องเสียเงินมากในการใช้ปัจจัยสี่ ให้พอให้มันเกิดประโยชน์ตามความต้องการของร่างกายร่างกายมันไม่ได้บอกว่าต้องกินอาหารมือละพันใจให้ต่างหากกิเลสต่างหากไม่มันบอกให้กินอาหารมือละพันทีกินส้มตำข้างถนนไม่ได้มันต้องไปกินในโรงแรมมันก็ส้มตำเหมือนกันแต่มันเสียเงินอีกหลายเท่าแต่มันชอบความหรูหรา ก็เลต้องใช้เงินมากโดยไม่จำเป็นนี่คือเรื่องของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินทองที่พวกเราอาจจะใช้ไม่เป็นกันก็เลยทำให้เราวุ่นวายเดือนร้อนกับเรื่องเงินทองกันไม่พอใช้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ใช่ไหมสมัยเด็กๆ เ, เราไปโรงเรียนเราได้วันละเท่าไหร่ทำไมเราอยู่ได้กัน อย่างนี้เรามีเงินมากกว่าทําไมาที่เราเรียนเรียนหนังสือแล้วพอใช้ไม่ไงมันก็ไม่พออ่ะตอนมันก็มีของมาล่อให้เราซื้ออยู่เรื่อยมีมีเงินมากเท่าไหร่มันก็มีของมากให้เราื้อรอใจเราถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ตามความอยากมันก็มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ แต่ถ้าเราใช้เหตุใช้ผลนี่เราจะเหลือเงินเงินจะเหลือใช้สบายอพอสมัยเราเป็นเด็กๆ เ, เราก็อยู่ได้วันไม่กี่ตังค์ทำไมเราโตขึ้นเราทำไมจะอยู่ไม่ได้ถ้าเรารู้จักควบคุมความอยากของเรารู้จักใช้เหตุใช้ผลในการใช้เงินทองแล้วก็จะทำให้เรามีเงินมาทำบุญ เงิทำบุญนี่ก็สำคัญเพราะเราต้องพึ่งบุญหลังจากที่เราตายไปแล้วเราหาเงินไม่ได้ตอนที่เราตายหลังต้องอาศัยบุญซึ่งเป็นเหมนเงินทองที่เราจะไปใช้ในโลกทิพย์กันแล้วเราก็อาศัยเงินทองที่เราทำนิบุญนิบเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เรานเราฝากเงินไว้ในพบหน้าธนาคารของชาติหน้าฝากไว้กับพ่อแม่ของเรา เดี๋ยวเรากลับมาเกิดกลับมาเกิดกับพ่อแม่ที่มีเงินฝากที่เราฝากไว้อันนี้ก็เป็นวิธีวิธีดำเนินชีวิตขับจิตใจของเราให้ไปในทางที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญห่างไกลจากความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายใจต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทอง แล้วขั้นที่สองก็สอนให้เรารู้จักวิธีดํารงชีวิตโดยที่ไม่ไปมีปัญหากับใครเราต้องอยู่กันร่วมกันเป็นสังคมอ น, นุ้นเราต้องอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันเราก็ต้องเคารพสิทธิของกันและกันอย่าไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็คือเราต้องรู้จัก รักษาศีลกันไม่ฆ่ากันไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเองนี่ไม่โกหกหลอกลวงกันไม่ดื่มสุร า, าเมายาที่เป็นเหตุให้เราไม่มีสติควบคุมบังคับจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมความดีงามได้ถ้าดื่มสุราแล้วเมามันเดี๋ยวก็คิดอะไรไม่ดนศีลธรรมความดีงาม่ดีพูดไม่ดีออกมาแต่ถ้ามีสติก็ยังรู้ว่ามอีา ทำไม่ได้นะไปด่าก็ไม่ได้ไปว่าเขาไม่ได้ไปเอาข้าวของของเขาไม่ได้แต่ถ้าเวลาเมาแล้วมันไม่มีสติยับยั้งความคิดยับยั้งใจคิดอะไรมันก็ทําไปทําไปแล้วก็เกิดโทษตามมาถ้าเรามีศีลเราก็จะอยู่การอย่างปลอดภัยถ้าทุกคนมีศีลเนี่ยบ้านหนึ่งเรานี่จะเปลี่ยน เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีกุญแจล็อกข้าของอะไรต่างๆไปไหนก็ปลอดภัยไม่มีใครมาทำร้ายกันทำลายกันไม่มีสารไม่มีตำรวจไม่มีคุกไม่มีตารางแต่ทุกวันนี้ต้องมีตำรวจมีสารมีคุกมีตารางก็เพราะคนเลขประเพื่ตามกฎกติกากั ไม่มีศีลละธรรมกันประพฤติเยียงสัตว์เดรัจฉานกันเนี่ยสิ่งที่ทําให้มนุษย์กับเดรัจฉานต่างกันก็นกคือศีลละธรรมเนี่ยไอ้แม่สัตว์ที่ดุร้ายเราต้องจับขังไว้ในกรงเนี่ยถ้าไม่อยู่ในป่าก็ต้องจับขังไว้ในกรงเพราะถ้าเข้ามาอยู่ในบ้านเมืองโดยที่ไม่ถูกจับขังไว้เดี๋ยวก็ต้องไปทไําร้ายผู้อื่นคนที่ไม่มีศีลก็เหมือนกับสัตว์ดุร้ายนี่ เสือศีลกับทำงานไม่ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางแล้วมีคุกสองคุกคุกในชาตินี้กับคุกหลังจากที่เราตายด้วยคุกที่หลังจากที่เราตายเราก็เรียกว่าอาบายถ้าเราประพฤติเหมือนสัตว์เดรัจฉานตายไปเราก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าประพฤติเหมือนเปรตก็จะไปเป็นเปรตเปรตก็คือโลค โลบมากอยากได้มากๆแล้วก็หามาด้วยความความความความผิดศีลโลบแล้วก็ไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงพวกนี้เวลาตายไปก็จะไปเป็นเปรถ้าทำผิดศีลด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตยายบาดก็ไปนรกไปใช้กรรมไปติดคุกติดตาราง มีหลายหลายชั้นหลายด้วยกันขึ้นอยู่กับโทษหนักโทษเบาถ้ารักษาศีลได้ไม่ต้องไปที่เหล่านี้เลยถ้ารักษาศีลได้ก็รักษาความเป็นมนุษย์ได้ถ้าไม่ได้ทำบุญตายไปก็กลับมาเป็นมนุษย์ต่อเพราะไม่มีบุญส่งไปสวรรค์แต่ไม่มีบาปดึงไปอบายก็กลับมาเป็นมนุษย์ต่อ ไม่ต้องมาเป็นสุนัขเนี่ยไม่ต้องมาเป็นแมวเป็นสัตว์เดินละชางต่างๆเนี่ยอนาคตของพวกเรานี่เรากําหนดได้เราเป็นคนกําหนดเองไม่ใช่ไม่ใช่พรหมลิขิตเรียกว่ากรรมเนอะกรรมาลิขิตกรรมก็คือการกระทํำของเราเนี่ยถ้าเราไม่ทําบาปทํากรรมเนเราก็ไม่ต้องไปเกิดนิยบายเราจะเป็นมนุษย์ ถ้าเราทำบุญด้วยเราก็จะไปสวรรค์กันแล้วถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่านี้สวรรค์ที่เราไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอกีกเราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติขึ้นไปขั้นหนึ่งเรียกว่าภาวนาแล้วศีลก็ต้องเพิ่มจากศีลห้าเป็นศีลแปดไปต้องรักษาศีลแปดถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรหม ที่ดีกว่ามีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพถ้าสวรรค์ชั้นเทพเป็นเศรษฐีร้อยล้านสวรรค์ชั้นผมก็เป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านแล้วถ้าอยากจะเป็นเศรษฐีแบบไม่ต้องไม่ไม่มีวันจนก็ต้องขึ้นไประดับพระอริยะเจ้าพระริยเจ้านี้จะได้รับความสุขแบบที่หมื่นล้านแสนล้านแล้วก็ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด ถ้าเป็นสวรรค์ชั้นพรหมนี้ยังมีวันเสื่อมได้ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปหลังจากบุญที่ทำไว้มันหมดเหมือนน้ามันหมดน้ามันหมดก็ต้องววะเติมปั๊มน้ามันปั๊มน้ามันของจิตเราก็คือการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นเหมือนที่มาเติมน้ำมันกันหเติมโทษกัน ถ้าทำบุญเราก็เติมโทษเอเ ต, ติมติน้ามันถ้าเราไปทําผิดศีลผิดทำบาปเราก็ไปไปสร้างโทษให้กับเราบุญกับบาป ท, ที่เราทํานี่มันหมด ม, มันมีวันหมดเนี่ยเมื่อหมดแล้วเราก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยกเว้นว่าเราสามารถตัดเหตุที่ทําให้เรามาเกิดได้<ม>ก็คือ ดัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่กลับมาเกิดและบุญที่เราได้ก็จะไม่เสื่อมบุญที่ได้จากการภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบจะไม่เสื่อมถ้าเรามีปัญญาคอยทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไป ใจเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปก็อยู่พระนิพพานไปตลอดเป็นเศรษฐีแสนล้านไปตลอดบรมลุมลสุขความสุขที่ได้จากการเป็นเศรษฐีแสนล้านฉันเรียกว่าบรลลุมลสุขถ้าเป็นเศรษฐีแสนล้านชาตินี้เดี๋ยวตายไปก็หมดไม่กี่ปี แปดสิบปีเก้าสิบปีก็หมดนะแต่ถ้าเป็นเศรษฐีของนิพานนี้ไม่มีวันสิ้นสุดนิพานนี้เป็นถาวรเป็นความสุขที่ถาวรจิตเป็นของที่ถาวรแต่ต้องมาติดอยู่กับของที่ไม่ถาวรมาติดกับภพต่างๆที่ไม่ถาวรก็เลยต้องทุกกับ ความเมตถาวรของภพต่างๆเวลาตายไปแต่ละครั้งก็มีแต่ความทุกข์กันตายจากมนุษย์ก็ทุกข์ตายจากเทพก็ทุกข์ตายจากพรมก็ทุกข์เพต้องเลื่อนลาดับลงมาเลื่อนลาดับความสุขลงมานี่แหละคือเส้นทางของชีวิตของพวกเราที่เรากําลังเดินกันไปอยู่เนี่อยู่ที่ว่าเรารู้จัก ขับใจของเราให้มันอยู่ในเส้นทางที่ที่ไปสู่ที่จุดหมายปลายทางที่ดีได้หรือไม่เท่านั้นถ้าเราทำตามสูตรที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็เราก็จะอยู่ในเส้นทางที่ดีจะดีขึ้นไปตามลำดับทำทานไปเวลามีเงินอยากจะใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นก็เอาไปทำบุญดีกว่านะให้คิดอย่างนี้ฝืนใจสู้กับมัน อย่าไปซื้อเสื้อผ้าพอแล้วรองเท้าพอแล้วกระเป๋าพอแล้วอะไรก็มีหมดแล้วถ้าไม่มีจริงๆต้องใช้ก็ซื้อได้ขอให้มันมีเหตุมีผลถ้าไม่มีถ้าอยากจะใช้เงินก็เอาไปให้คนนั้นคนนี้ให้พ่อให้แม่บ้างก็ได้พ่อแม่ค่ะเขาก็เลี้ยงดูเรามาต่อไปเราก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ทดแทนบุญคุณกันไป ใช้เงินแบบนี้เราจะเป็นประโยชน์กับจิตใจสร้างความสุขให้กับจิตใจดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากซื้อข้าวซื้อของใช้เงินใช้ทองแบบไม่มีไม่มีเหตุไม่มีผลใช้แบบฟุ่มเฟือยใช้แบบไม่เกิดโทษกับจิตใจแล้ว้ก็ไม่ไม่ทำบา ก็จะไม่มีปัญหากับใครอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักคนที่มีศีลนี่ไม่มีใครรังเกียจอยู่กับใครก็มีแต่คนสบายใจรู้ว่าคนนี้ไม่ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นงูพิษไม่เป็นเสือเสือสีงกระเิงแรกแล้วเราก็มีความสุขมีอบความอบอุ่นใจเวลาเราไม่ทำบาป ท, ทำกรรมนีใจเราจะสบาย ไม่วิตกกังวลไม่หวาดกลัวถ้าทําบาปทำมาผิดกฎหมายนี่เห็นเจ้าหน้าที่ทำหนวาก็ไม่สบายใจนะครับางที่บางทีเขาไม่รู้เรื่องว่าเราทํำบาปก็ไม่ได้มาหาเราเพราะละจะมาจับเราแต่พอเห็นเขาก็ไม่สบายใจขึ้นมาก็หวังเป็นเหมือนวัวซันลังหัวมีแผลอยู่แล้ว อ, อะไรไปแตะนิดมันก็เจ็บขึ้นมาทำทานรักษาศีลแล้วก็มาหัดภาวนากันภาวนานี้ไม่ยากหรอกถ้าเราจะทำกันจริงจริงเพราะว่าถ้ารู้จักวิธีทำมันก็เหมือนกับขับรถนี่ยหละตอนตอนน้นเราไม่เคยขับรถเห็นเขาขับนี่เราก็รู้สึกว่ายากมีอะไรหลายอย่างต้องทำ ต้องใช้ฟวงมาลัยต้องจะเหยียบน้ำมันเหยียบเบรกต้องเปลี่ยนเกียร์ทำอะไรตอนต้นดูแล้วก็งงไปหมดการภาวนาตอนต้นฟังก็งงไปหมดไหนจะมีสติไหนจะมีสมาธิไหนจะมีปัญญาแต่ถ้าเราศึกษาเข้าจริงๆแล้วมันมีขั้นมีตอนของมันเราทาตามขั้นตอนของมันไปเดี๋ยวก็ทำได้ ทั้นแรกท่านก็บอกให้ให้รักษาศีลแปดก่อนถ้าอยากจะภาวนาเนี่ยต้องถือศีลแปดเพราะถ้าเราไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเราก็จะไม่มีเวลามาภาวนา น, นั่นเองแทนที่จะนั่งสมาธิก็ไปนั่งดูทีวีแตถ้าเรามีศีลแปดเนี่ยศีลแปดก็จะห้ามไม่ให้ดูทีวีไม่ให้ดูหนังดูละครไม่หาไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไห้มหาความสุขจากการทำใจให้สงบถ้ามีสินแปดแล้วมันก็จะกำจัดกิจกรรมต่างๆที่ไม่ได้ทำให้ใจสงบไปเพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาทำกิจกรรมที่จะทำให้ใจของเราสงบก็คือขั้นต้นก็ต้องใช้สติสร้างสติขึ้นมาก่อน การจะนั่งสมาธิให้ใจนิง่งให้สงบได้ต้องมีสติหยุดความคิดก่อนถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้นั่งไปมันก็คิดไปเรื่อยๆคิดไปแล้วมันก็ไม่ได้ความสงบความสงบจะเกิดต่อเมื่อใจหยุดคิดใจจะหยุดคิดก็ต้องมีสติสติก็เป็นเหมือนกับเบรกของรถยนต์ความคิดก็เป็นเหมือนคันเร่งของรถยนต์เราม่แตเยียบคันเร่งกันอยู่เรื่อย ใจรถมันก็เลยไม่หยุดกันถ้าอยากจะหยุดรถถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งให้ใจสงบเราต้องหยุดความคิดเราต้องอย่าไปเหยียบคันเร่งมาเหยียบเบรกแทนอยากคิดให้คิดพุทโธแทนคิดได้แต่ให้คิดพุทโธแทนพุทธโทนี้เหมือนเหมือนเบรกความคิดต่างๆเหมือนคันเร่งถ้าปล่อยให้ใจคิดมันก็จะไม่สงบ ถ้าเรามาฝึกพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆความคิดมันก็จะคิดไม่ได้เมือ่อวานนี้มีฝรั่งชื่อโทนี่เขาส่งข้อความเข้ามาว่าเขาใช้พุโทโธแล้วบอช่วยได้เยอะเลย้ำไม่จิตใจเขาหายวุ่นวายความวุ่นวายของใจเราก็เกิดจากความคิดนี่เองคิดถึงเรื่องนั้ น, น, นคิดถึงคนนี้ก็วุ่นวายใจขึ้นมาพอเราพุโทโธพุธโทโธก็ไปมันก็คิดไม่ได้ พอเคล็ดไม่ได้ความวุ่นวายใจต่างๆก็หายไปอย่างคนคีดกลัวนี่ก็ใช้พุโทโธไปเลเวลากลัวนู่นกลัวนี่ก็พุโทโธไปเลยอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เรากลัวพอเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเราก็ลืมเรื่องที่เรากลัวพอลืมเรื่องที่ทําให้เรากลัวเราก็หายกลัวความกลัวมันอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่เรื่องนั้นเรื่องนี้หรอกเราคิดไปแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาเอง อันนี่คือวิธีแรกเราต้องมาหัดเหยียบเบรกกันเลิกปล่อยคันเร่งนะเหยียบแต่คันเร่งนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ก็เหยียบคันเร่งเลยในชะ่ไหมพอตื่นขึ้นมาลืมตาปั๊บคิดเลยว่าวันนี้จะทําอะไรจะกินอะไรจะไปไปหาใครนะคิดไปทั้งวันทั้งคืนตอนะหลังพอตื่นขึ้นมาเราเหยียบเบรกเลยพุโทโธเลยพอตื่นขึ้นมาปั๊บก็พุโทโธพุโทโธพอลืมตา รู้สึกตัวขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธแล้วก็ลุกไปทาอะไรตามที่เราตัง้งใจจะต้องทำก็พุโทโธไปอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวก็พุโทโธไประหว่างไปทางานก็พุโทโธไปถ้าถึงเวลาทํางานต้องใช้ความคิดกับการงานก็หยุดพุดโทโธชั่วคราวอย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันถ้าคิดเกยับเรื่องจาเป็นที่ต้องคิดก็คิดได้ เพราะชีวิตเรายังต้องทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่เราต้องใช้ความคิดในการหาเงินหาทองหาไรายได้คิดแบบนี้ไม่เป็นโทษอย่าพหยุดคิดดีกว่าอันไหนทำทำอัายได้ก็ทำไปมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ก็ปล่อยมันไปแก้ไม่ได้ยัให้ทำยังไง จะไปวิตกกังวลไม่สบายใจมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอยู่ดีกลับเพิ่มปัญหาให้มากขึ้นเพิ่มความวิตกกังวลขึ้นมาให้มากขึ้นปล่อยให้ปัญหามันเป็นปัญหาวนไปในเมื่อเราแก้ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้อะไรจะเกิดก็เกิดเดี๋ยวก็ตายแล้ว้คิดอย่างนี้ตายแล้วปัญหามันก็หมดไปเองปัญหามันไม่ตามเราไปแล้วเนื่องจากจะคิดให้คิดแบบนี้ เราใจจะสงบใจจะไม่วิตกไม่กังวลใจจะสบายถ้าเรามีพุโทโธอยู่นี่เราจะควบคุมความคิดได้และถ้าเราต้องการให้จิตสงบนิ่งเต็มที่เราต้องนั่งเฉยเฉยเพราะถ้าเรายังทำอะไรอยู่นี่จิตยังต้องทำงานจิตเป็นตัวควบคุมร่างกายถ้าอยากจะให้จิตหยุดทำงานเราต้องหยุดควบคุมร่างกายเอาร่างกายมานั่งเฉยเฉย นั่งหลับตาไม่รับรู้อะไรทั้งหมดทางตาหูจมกิืนกายแล้วก็หยุดความคิดด้วยพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธได้เดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองสงบแล้วก็จะมีความสุขมากมากกว่าได้เงินได้ทองเป็นร้อยล้านพันล้านมากกว่าได้เป็นประธานาธิบดีได้เป็นนายกเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง มานั่งสมาธิกันมาพูดโธพูดโทกันถ้ามีพูดโธแล้วรับรองหน้านั่งมันต้องสงบที่ไม่สงบเพราะมันไม่มีพุดโทสมัยนี้ฟังคําถามแต่ละคนที่ส่งมาพอนั่งสมาธิก็นั่งหลับตาแล้วก็เฉยเฉยดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยมันก็คิดไปเรื่อยๆแล้วดีไม่ดีมันก็ผลิตอะไรให้เรามาดูผลิตไอ้นู่นมีแสงมีเสียงมีสีอะไรโผล่ขึ้นมา นั่งสมาธิแล้วไม่ต้องการนั่งแบบนั้นเราต้องการนั่งเพื่อควบคุมจิตควบคุมความคิดจิตนี่มันเป็นเหมือนกับ เ, เครื่องฉายหนังหรือเปล่าถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ไปควบคุมมันเดี๋ยวมันก็ใช้หนังฉายภาพฉายนิมิตอะไรต่างๆให้เราดูแล้วเราก็คิดว่าโอ้นี่เป็นผลจากการนั่งสมาธิเป็นความเข้าใจผิดคนส่วนใหญ่คิดว่านั่งแล้วต้องเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่างๆอันนี้เป็นความเข้าใจผิด การนั่งสมาธิต้องการให้จิตว่างจิตสงบถ้าจะเห็นก็เห็นความว่างเห็นตัวรู้เห็นผู้รู้เท่านั้นถ้าความคิดหายไปอารมณ์หายไปก็จะเหลือแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้แล้วก็อุเบกขาความความเบาใจความสบายใจใจที่เป็นกลางใจที่ไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงนี่อันนี้แหละคือผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิ พรถ้าใจเราเป็นกลางแล้วเวลาเราออกจากสมาธินี้เราก็รักษามันเราเห็นอะไรเราก็จะเฉยได้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวอะไรใครด่าก็เฉยใครด่าก็ไม่ชังเห็นเห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆก็ไม่อยากได้ไม่มีความรักเลยใจมันอิ่มเลอุเบกานี้คือความอิ่มใจความพอใจทําให้มันไม่ต้องรักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอะไรเั้่ พอเราได้ตัวนี้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยรักษาเหมืนอนเพราะสิ่งที่จะมาทําลายก็คือความอยากความโลภนี่แหละพอไปเห็นอะไราชอบก็อยากได้ขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาบอกว่าอย่าไปโลภอย่าไปอยากได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้แล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันต้องมาคอยดูแลรักษาแล้วเวลามันจากเราไปก็ร้องห่มร้องไห้เสียหกเสียใจอยู่กับ ความสงบดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่าไม่มีวันหมดไม่มีวันจากเราไปถ้าเราตัดความอยากได้ใจก็จะสงบ จ, จะว่างเหมือนเดิม น, นี่แหละถ้าทำไปแล้วนั้นก็จะไปถึงจุดที่ไม่มีความอยากถ้าเรารู้จักวิธีหยุดความอยากได้เราก็จะหยุดไปได้เรือยแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีอะไรให้เราอยากใจเราก็จะสบายอิ่มตลอด ม, มื่ไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมาเกิดที่มาเกิดเพราะยังอยากยังอยากดูรูปยังอยากฟังเสียงก็ต้องมีตามีมหูมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเนี่ยทวิธีขับใจของเราให้ไปสู่ที่ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงเพราะเมื่อไม่เกิดแล้วก็ไม่มีปัญหากับเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตาย เรื่องพัดภาคจากกันเรื่องอะไรต่างๆที่เราเจออยู่กันทุกวันนี้ก็เพราะเรามีร่างกายนี่ถ้าเราไม่มีร่างกายมันก็จะไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆให้เราต้องมากังวลกันเรามาเกิดเองไม่มีใครบังคับให้เรามาเกิดเรามาเกิดด้วยความอยากของเราเองด้วยความหลงที่คิดว่าการทำตามความอยากเป็นการเป็นการได้ความสุข แต่มันเป็นความสุขปลอมความสุขชั่วคราวแล้วก็มีความทุกข์ตามมาเป็นขบวนเลยยาวเหยียดเลยพอเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดแล้วก็ต้องดิ้นนนทํทมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องจากไปสูญเสียหมดมาตัวเปล่ า, าเดี๋ยวตายไปก็ไปต่อปากไม่เอาไม่มีอะไรติดตัวไปเอาไปได้ก็คือ ความสงบหรือความวุ่นวายใจนั่นเองอน น, นี้คือวิธีขับใจของพวกเราถ้าทาตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนผลก็จะต้องเกิดอย่างที่พระเจ้าได้ทรงได้อย่างแน่นอน <Caitlin> เหมือนกับเราไปหัดขับรถเขาสอนให้เราขับรถเราขับตามที่เขาสอนให้เราขับไปแล้วก็ขับรถได้เราก็สามารถขับรถไปที่ไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัย อันนี้เป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เกี่ยวกับการเวลาคําสอนพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เสื่อมไปกับการเวลาสมัยพระพุทธการใช้ใช้ได้ผลอย่างไรสมัยนี้ก็ใช้ได้ผลอย่างเดียวกันนั่นก็ขอให้เราพยายามศึกษาเนี่ยหนังสือธรรมะเนี่ยเป็นหนังสือที่สอนให้เรารู้จักควบคุมใจเราขับใจเราให้ไปในทิศทางที่ดีพยายามอ่านอยู่เรื่อยๆ ว่ามันต้องใช้ความความพยายามที่จะศึกษาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วขั้นต่อไปก็ต้องนาออกไปปฏิบัติถ้ายังไม่ปฏิบัติผลก็ยังไม่เกิดการศึกษาเป็นเพียงแต่การเหมือนกับการดูแผนที่ดูแผนที่ยังไม่ทำให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้เราต้องออกเดินทาง ต้องเริ่มทำทานนะเวลาจะไปเที่ยวก็เปลี่ยนใจไปวัดดีกว่าไปทำบุญดีกว่านะเวลาจะไปชอบเพ่งก็ไปทำบุญดีกว่านะแล้วก็เวลาจะทำบาป ก, ก็บอกอย่าทำพยายามยับยั้งจิตใจอย่าไปทำบาปรักนษะนะาสี่ห้าไว้ให้ดีแล้ววันหยุดก็มาหัดภาวนากันมาทำใจให้สงบกันนะ ถือสีลแปดกันแล้วต่อไปจิตใจของเราก็จะมีแต่ความสุขความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็าจะอนุโมทนาให้พ่นมีอะไรอยากถามไหมทำบริษันเดียวกันหมดเลยนะ อ๋ขอข้าขกวากลัวทำที่ก็มีนะเวเป็นบริษัทใหญ่ไหมท้าาองหนังชาติอของญี่ปุ่นหรือของอเมริกาเลยผมมันยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องหอออยู่ดีแล้ว กายเดี๋ยวมันก็ต้องตายอย่าไปอุ่นวายกังวลกับมันมากเกินไปเอาความสวยงามทางใจดีกว่าผมสวยแต่ใจไม่สวยนี่ก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยที่พระเจ้าบว่าต้องหยุดเขิยนะครับ อ, อไม่ทราบว่าต้องทํำยังไงนะครับอังก็พูดโธ้ไงเวลาจะคิดก็พุดโธ้ไปกําลังคิดถึง คนนู้นคนนี้ถ้าเราพุโทโธพุโทโธมันก็คิดไม่ได้แนละ้วใจเราจะคิดสองอย่างพร้อมกันไม่ได้หรอกคิดได้ทีเราเรื่องใช่ไหมเวลาทำงานเราจะคิดไปเที่ยวได้ไหมเวลาคิดไปเที่ยวเราก็ไม่ได้คิดทำงานแ่ใช้พุโทโธคิดพุดโทโธมันเป็นคำกลางๆมันไม่มีอารมณ์มันไม่มีเป้าหมายคิดแล้วมันจะทาให้ใจสงบ พุโทโธพุทโธไปเรื่อมตาขึ้นมาก็พุโทโธเลยกังวลกับเรื่องอะไรก็พุโทโธไปลืมมันไปก่อนแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดให้คิดอย่างนี้แต่ใจจะสบายร่างกายจะตายก็สบายถ้ารักษาไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยมันไป เราก็พูดทวงเราไปาใจเราจะเย็นจะสบายร่างกายมันก็แค่หลบมันก็ไม่หายใจทั้งนั้นเองความตายมันก็อยู่ที่ปลายจมูกนี่แหละมันไม่ได้อยู่ตรงไหนหรอกถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ก็มีแค่นี้แหละอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เราจะตายตอนไหนก็มีสองตอนเนี่ยตอนเข้าหรือตอนออก <c oughs> ใช่นะถ้าหายใจอยู่ก็ไม่ตายถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเห็นขยันหายใจไว้ถ้าไม่อยากตายก <c oughs> <c oughs> ารหายใจให้เก่งๆไอก า, นะาร น, านั่งสมาธิหรือภาวนาเนี่ยมันต้องมีการกําหนดเวลาไหมคะเช่นหนึอยอย่งชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงคือการจเจริญสตินี่มันต้องทําทั้งวันเลย ก่อนก่อนจะนั่งสมาธิเนี่ยต้องต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสตินั่งกี่ชั่วโมงนั่งเวลาไหนก็ไม่สมมงบยั้นขั้นแรกเราต้องไปที่สติก่อนลืมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยพุโทโธไปควบคู่ไปกับการทํางานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอาบน้ําแต่งเนื่อแต่งตัวนี่พุโทโธไปอย่าไปคิดกังวลถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากคิดไปว่าวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีไปซื้ออะไรดี ความคิดที่ไม่จําเป็นต่างๆอย่าปล่อยให้มันคิดหยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธไปแล้วพอเรามีพุโทโธแล้วก็นั่งจะนั่งนั่งมากก็ได้มากนั่งน้อยก็ได้น้อยที่อยู่ที่ว่าเรามีเวลานั่งมากน้อยแต่ละคนมันไม่แน่คนบางคนมีธุรกิจเยอะมีงานเยอะมันก็นั่งได้น้อยถ้ามาบวชพระนี่มันก็ไม่มีธุรกิจมันก็มีเวลามากมันก็นั่งได้ทั้งวันนั่งยิ่งได้นั่งนั่งมากก็ยิ่งได้มาก งั้นถ้าเราต้องการความสุขมากๆความสงบมากๆากเราก็ต้องนั่งมงกมากเรายังไม่เคยเห็นความสงบว่าเป็นยังไงถ้าเห็นแล้วมันจะมันจะไม่อยากจะทําอะไรแล้วมันไม่อยากจะได้อะไรมันอยากจะได้ความสงบเหมือนถ้าเราไปเจอเพชรที่ไหนแล้วเราจะไม่ไปหาอะไรหาเพชรแถวนั้นดีกว่าถ้าแถวนั้นรู้ว่ามีเพชรเองแล้วพอไปเจอเพชรล้วไปขุดกล้ยหาเพชรดีกว่า ความสงบเนี่ยมันเหมือนเพชรเลมีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรอีกแต่ถ้าเปรียบเทียบกับของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราเดินไปไปเจอเพชรแล้วร่้ว่าแถวนี้มีเพชรนี่เราจะไปที่ไหนไหมเราไม่ไปแล้วเราเดินเดินอยู่แถวนี้หาเพชรดีกว่าดีกว่าไปทํางานวันละห้าร้ยบาทพันหนึ่งเดินหาเพชรเดี๋ยวได้เมชรสองเม็ดก็เป็นล้านความสงบก็เป็นเหมือนเพชรเนี่ย ถ้าเราได้พบกับความสงบนั่งแล้วจิตสงบแล้วทีนี้มันไม่ต้องไปกําหนดเวลาแล้วมันมีแต่จะหาเวลามานั่งให้มากขึ้นเรื่อยๆมีงานอะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดมันไปลาออกจากงานแล้บางคนก็ไปบวชกันไม่เอาแล้วไม่หาเงินทองหาความสงบดีกว่าเพราะความสงบมีคุณค่ามากกว่ามีประโยชน์มากกว่า เงินทองนอกจากให้ความสุขแล้วยังให้ความวิตกกังวล ด, ด้วยแต่ความสงบนี่ไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลไม่มีอะไรต่างๆที่ทำให้ใจเราไม่สบายไม่มีมีแต่ความเย็นความสบายเพียงอย่างเดียวเห็นถ้าเราได้นั่งแล้วจิตสงบแล้วเราจะลุยมันจะนั่งกี่ชั่วโมงดี แต่ถ้ายังไม่สงบนี่กิเลสมันยังชอบมาเดึงให้เราไปนั่งดูทีวีกันเดึงให้เราไปทาอย่างอื่นกันพยายามฝึกสติเถิดพอมีสติแล้วพอนั่งปั๊บเดียวสงบปั๊บเทนี้มันมันไม่ต้องการอะไรลนะมันจะต้องการแต่จะนั่งอย่างเดียวต้องการความสงบอย่างเดียวแล้วทิ้งได้หมด สามีภรรยาสามีภรรยาลูกเลิกนี่ทิ้งได้หมดมันมีแต่ความทุกข์เรื่องราวพวกนี้อยู่ขเขาทําไมอยู่คนเดียวมีความสุขกว่ายเยอะแยะก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านมีอะไรมากกว่าเราต้องเยอะแยะทําไมท่านทิ้งได้ว่าท่านเคยมีความสงบท่านเคยพบกับความสงบท่านก็เลยต้องตัดสินใจเลือกเขาทางได้ทางหนึ่ง ถ้าอยู่ก็ไม่สงบถ้าไปก็จะสงบก็ไปดีกว่าเท่งทุกอย่างนะเท่งแบบจริงๆไม่ใช่เท่งแบบเล่นๆทำไมนี่บวชยังบวชกันเล่นๆอยู่บวชกันสามเดือนก็ยังเสกกันได้บวชเดือนก็เสกกันบวชแบบพระตถาจ้านี่บวชไม่เสกเพราะท่านเห็นว่าสิ่งที่ท่านไปหามันมีคุณค่ากว่าสิ่งที่ท่านมีอยู่ ลาบดยสรนเสริญที่ท่านมีนี้สู้กับความสงบที่ท่านต้องการไม่ได้ท่านก็เลยไปหาความสงบดีกว่าในที่สุดก็หาได้ได้บรลมมาสุขความสงบของพระนิพพานเป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ปราศจากความวิตกกังวลปราศจากความทุกข์ต่างๆอยู่ที่สติตัวเดียวนี่แหละ อยู่ที่พุทธโธนะี่อยู่ที่พระพุทธเจ้าพุทธโธก็คือพระพุทธเจ้ า, เ, าเราเลื่อถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเอ้วเดี๋ยวเราก็จะไปพบกับพระพุทธเจ้าเองไปพบที่พระ น, นิพพานนะขั้นตอนต้องฝึกสติให้ได้ก่อนเคยต้องพุทธโธบ้างไหมวันๆหนึ่งนะเนี่ยลองทําดูเลย แวเวลานั่งจิตจะสงบง่ายต้องฝึกให้มันเป็นนิสัยไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่จำเป็นก็อย่าไปคิดพุดโทโธพุโทโธไปเลยก่อย่าไปวิตกไปกังวลอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้คิดถึงความตายว่างเวลาอยากได้อะไรเดี๋ยวก็ตายแล้วตายแล้วเอาอะไรเอาอะไรไปได้ กิเลสมันจะหลอกให้เรามาเสียเวลาหาหาสิ่งที่ไม่มีสาระสำคัญแก่จิตใจเราต้องใช้ความตายคอยสกัดมันถ้าคิดถึงความตายแล้วความอยากความโลภมันยาหดามีคำถามวันนี้เข้ามากี่คนนะ f a c e b o o สามร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะทาง y o u t u มีสามสิ8แปดคนครับแต่เท <38. S 2> ่านี้ยังไม่มาอย่างครับ คำถาม u t u b e มี ม, มีมาเยอะนะฮะเอาเลยเอา YouTube ก่แล้วกันครับเดี๋ยว็มจะอ่านทางทินบ็อกซ์ก่อนนะฮ ะ, ะทางาการอินบ็อกซ์นะฮะจากคุณพัทรกรหนูอยากได้แนวทางในการสวดมนต์ให้ถูกวิธีค่ะต้องสวดบทไหนสวดอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด หลักของการสวดมนต์เป็นอย่างไรสวดบาลีแล้วต้องสวดแปลเพื่อให้เรารู้ความหมายด้วยไหมและการสวดอิติปิโสเท่าอายุจริงให้ผลอะไรนอกจากทําให้เรามีสติเพิ่มขึ้นช่วยทําให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือเปล่าคะเรื่องการสวดมนต์ก็เป้าหมายหลักก็คือให้มีสติคือไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องราวต่างๆ แล้วถ้ามีสติสวดไปใจก็จะเย็นจะสบายมีความสุขความอยากความโลภต่างๆก็ระ ง, งับไว้ชั่วค่าวชีวิตเราก็จะดีขึ้นเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับความโลภความอยากต่างๆอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่ต้องออกไปเที่ยวกันออกไปเที่ยวก็เสียเงินเสียทองไปเสี่ยงภัยกับภัยต่างๆบุญท่องถนนกับ อ, อะไรต่างๆได้ ถ้าสวดมนต์ได้ก็อยู่บ้านสบายกว่าไม่ต้องไปเที่ยวบาร์เที่ยวผับไม่ต้องไปแหล่งบันเทิงอะไรต่างๆก็ปลอดภัยเหน็นไมเดี๋ยวนี้คนไปตายตามแหล่งท่องเที่ยวกันยามราตรีไฟมุง่งไฟไหม้กันเต้นรำกันแล้วเกิดไฟไหม้กันขึ้นมาเหยียบกันตายถูกไฟคลอกกันถ้าสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็นไม่ตายอันนี้ก็จะทำให้ชีวิต ป, ปลอดภัย ป่าคนที่ไม่ได้สวดนะสการสวดก็อย่างที่บอกสวดเพื่อให้มีสติส่วนจะสวดคําแปลหรือไม่สวดคําแปลนี้ก็ตามอธิยาศัยถ้าสวดคําแปลก็จะได้ความหมายก็จะได้ปัญญาเพราะบทสวดมนต์นี้ส่วนใหญ่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เวลาส่วนนี้ความจริงเราต้องการความสงบเราก็ไม่ต้องการความหมาย ความหมายนี่เรามาอ่านตอนหลังก็ได้ตอนที่เราไม่ได้ส่วนมันแบ่งเป็นสอนอสองตอนในการปฏิบัตสิสมาธิกับปัญ ญ, ญานี่มันแยากกันทำมันไม่ได้ทำทีเดียวพร้อมๆกันเวลาเราทำสมาธิเราไม่ต้องการที่จะใช้ความคิดแต่เวลาเราจเจริญปัญญานี่เราต้องใช้ความคิดคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดตามที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้คิด เพรนเวลาที่เราอยากจะได้ปัญญาเราก็ไปอ่านคําแปลเวลาที่เราต้องการความสงบเราก็ไม่ต้องอ่านแล้วเวลาสวดถ้าเป็นไปได้ก็ให้ท่องจําไว้ได้จะดีกว่าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องใช้สายตาเพราะถ้าใช้สายตาจิตมันก็ต้องส่งออกข้างนอกถ้าเราไม่ใช้สายตาจิตก็จะอยู่ข้างในจิตก็จะสงบง่ายกว่าฉนั้นหัดท่องบทสวดมนต์ ท่งแล้วเราก็เวลาสวดเราจะได้ไม่ต้องเปิดหนังสืออันนี้ก็เป็นเรื่องของการสวดมนต์บทไหนก็เหมือนกันบทต่างกันตรงที่ความหมายถ้าอยากได้ปัญญาก็ต่างกันถ้าต้องการสติต้องการสมาธิก็เหมือนกันสวดบทไหนก็ได้ได้สติได้สมาธิเหมือนกันแต่ถ้าอยากจะได้ปัญญาก็ต้องสวดมีไร้พระสูตรด้วยกัน ถ้าส่วนสติปัฏฐานสูตรก็จะได้วิธีปฏิบัติสติวิธีเจริญสมาธิปัญญาถ้าส่วนธรรมจักรก็จะได้รู้จักมรรคแปว่ามีอะไรรู้จักว่าอริยสัจสี่มีอะไรถ้าส่วนมงคลตสูตรก็จะได้รู้ว่ามงคล38มนี่อะไรบ้างการกระทําอะไรที่ทําให้เกิดมงคลขึ้นมาเช่นข้อที่1การไม่คบคนผานคบคนง้อนี่เป็นมงคลอย่างหนึ่ง การได้คบคนฉลาดคบบัณฑิตเนี่ยก็เป็นมงคลเพราะถ้าคบคนโง่เขาก็จะพาให้เราโง่โง่ก็คือหลงคำว่าหลงเห็นผิดเป็นชอบคนที่เดินโซลาเล่นการพ น, นันเที่ยวการเกนนี้เราเรียกว่าคนโง่เป็นคนพาลเพราะไม่รู้ว่าการกระทำเหล่านี้เป็นโทษกับตนเองไม่ได้เป็นประโยชน์ถ้าไปคบกับเขาเขาก็จะชวนเราไป เขาชอบดื่มโซดาเขาก็จะเชิญชวนเราดื่มโซราถ้าเขาชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราเที่ยวแต่ถ้าเราครบบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตก็จะดูว่าการที่ไปวัดไปการศึกษาธรรมะไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมนี้เป็นประโยชน์เขาก็จะชวนเราไปฟังเทศฟังธรรมกันไปปฏิบัติธรรมกันนี่เป็นจะทําให้เกิดมงคลคือผลผลที่ดีความสุขความจเจริญนี่เรียกว่ามงคล ถ้าเราต้องการอยากจะทราบความหมายของมงคละสูตรเราก็ต้องอ่านคำแปลถ้าเราสวดตามบาลีเราก็จะได้ยินแต่ภาษาบาลีอเสวนาจะบาลานังอเซวนาก็ไม่ให้เสวนาบาลานังก็คือคนพานไม่ให้เสวนากับคนพานให้เสวนากับบันฑิตอเสวนาจะบาลานังบัณฑิตาเสวนาให มันิตาเสวนาให้เสวนากับบัณฑิตแล้วก็ให้ปูชาจะปูชนียานังให้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาคือบุคคลที่มีพระคุณต่างๆนี่คือบิดามารดาปู้ยาตายายครูบาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีพระคุณกับพวกเราเราควรที่จะเคารพกราบไหว้บูชาแสดงความกตัญญู เป็นมงคลอย่างยิ่งนี่คือบทพระสูตรของพระุทธเจ้ามงคลสามสิบแปดจะสอนตั้งแต่ขั้นต่งไปถึงขั้นสูงสุดคือถึงขั้นพระนิพพานเลยถ้าเราเข้าใจและปฏิบัติตามมงคล3ามสิบแปดข้อ น, นี้ได้เราก็ไปถึงนิพพานได้ออกมาคำถามต่อไปจาก YouTube นะครับจากคุณนุชยามีเพื่อนฝากถามพระอาจารย์ว่า ถ้ามีคนมาทักว่าถึงเวลาที่ต้องไปรับขันเทพรับขันเทพเจ้าอะไรซักองแล้วถ้าเพื่อนไม่ยอมจะเป็นอะไรไหมคะเพราะบางคนเคยบอกว่าเทพดังกล่าวอาจจะอาจจะมาทำร้ายได้ถ้าร่างดื้อดึงไม่ยอมรับเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องเพ้อเจอเพอ้อฝันไปรับอะไรไม่มีคาแห้อะไรเราได้หรอกนอกจากตัวเราเองโดยการทำบุญหรือทำบา ถ้าเราทำบุญเราก็จะได้ของดีถ้าเราทําบาปเราก็จะได้ของไม่ดีเทพก็ไม่มีอํานาจที่จะมมามอบอะไรให้กับเราได้และถ้าเขาก็จะไม่สามารถมาทําร้ายเราได้เทพก็ไม่จะเป็นเทพก็ไม่ไม่นิยมทําร้ายผู้อื่นอยู่แล้วคําว่าเทพก็คือคนที่มีศีลมีบุญคนที่ทําทานรักษาศีลถึงเป็นเทพได้เมื่อเป็นเทพแล้วก็จะมาทําร้ายเราทําไมนี่เป็นเรื่องเครื่องม เครื่องมือหากินของมิจฉาชีพก็จะนะให้เราไปเข้าอะไรกับเขาไปรับคงรับขันแล้วก็ต้องเสียค่ารับขันกันเนี่ยค่ายกครูค่าอะไรไปแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวก็ทักนู่นทักนี่ต้องไปทําพิธีนู่นพิธีนี่โอ้เสียเงินอีกหลายตังค์เพราะงั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องราวเหล่านี้ให้กล่าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ท่านสอนว่าที่พึ่งของเรานอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พึ่งอื่นเราไม่มีไม่ต้องไปพึ่งใครพระพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ต้องพึ่งใครปลอดภัยรับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คำถามต่อไปครับถ้าเราอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนส่วนบุญกุศลที่เราสร้างมาด้วยความเพียรไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมเสร็จหรือนั่งสมาธิให้ลูกที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้เขาเชื่อฟังเราได้ไหมคะ อไม่ได้เหรอใช้เขาเชื่อฟังเราก็ต้องอสั่งสอนเขาแล้วก็ทำตัวเราให้เป็นที่น่าเคารพน่าเชื่อฟังคนที่จะเขาจะเชื่อฟังก็ต้องเป็นคนที่มีสัจจะผู้ไรก็ต้องเชื่อได้ถ้าไปโกหกลูกต่อไปมันก็ไม่เชื่อเราเวลาลูกจะทำอะไรก็หลอกเขาว่ า, เ, าเดี๋ยวจะทำให้หนูน่นทำให้นี่ให้พอถึงเวลาก็ไม่ทำให้เขาก็ต่อไปก็จะมาเชื่อเราได้อย่างไง ก่อนที่เราจะไปสัญญองสัญญาจะอะไรกับใครนี่เราต้องคิดให้รอบคอบก่อนว่าเราจะทำได้หรือเปล่าถ้าเราทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวต่อไปเวลาเราสัญญาเราจะบอกอะไรเขาเขาเขาจะไม่เชื่อเราหรือการกระทําของเราก็เหมือนกันเราสอนเขาอย่างหนึ่งแล้วเราทำอีกอย่างหนึ่งนี้เขาก็ไม่เชื่อเราละเราสอนให้เขาอย่าดื่มสุราแล้วเราก็ไปนั่งดื่มกัน สอนไม่ให้พูดคำหยาบแล้วเราก็พูดคําหยาบ ก, กันนี้พอเขาเห็นเราพูดคําหยาบเขาก็ไม่เชื่อเราแล้วฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้เขาเชื่อเราเราต้องพูดในสิ่งที่เราทําทําในสิ่งที่เราพูดเขาก็จะเชื่อเราคำถามต่อไปพ่อแม่สามารถทําบุญแทนลูกโดยการใส่ปัจจัยแล้วใส่ชื่อลูกแล้วลูกจะได้รับส่วนบุญนี้ใหมคะ่ะ ไม่ได้หรอกพ่อแม่มีแต่สอนให้ทําบุญตอนต้นก็เอาเงินให้เอาเงินให้ลูก็ไปใส่บาใส่ตู้บริจาคแต่มันอันนั้นยังไม่เป็นบุญของลูกเป็นบุญของพ่อของแม่อยู่เพราะเป็นเงินทองของพ่อแม่แต่ต่อไปพอลูกโตขึ้นมีเงินทองของเขาเองแล้วเขาทําบุญด้วยเงินทองของเขาเองตอนนั้นก็ถึงจะได้แต่ถ้าเราไม่สอนให้เขาทําบุญเขาก็จะไม่ทําถ้าเราไม่พาเขาเข้าวัดเขาโตเขาก็ไม่เข้าวัดดังั้นเราต้องสอนเขาก่อน ทุกอย่างนี้เขาทำตามพ่อแม่ทั้งนั้นใช่ภาษานี้ก็ทำเขาเรียนจากใคร่ภาษานีภาษาที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้เรียนจากพ่อจากแม่ใช่ไอาหารที่เรากินนี่เราเรียนจากใครที่บ้านกินอะไรเราก็กินอย่างนั้นใช่ไหมที่บ้านอยู e ่ยังไงเราก็อยู่แบบนั้นที่ที่บ้านทำบุญเราก็ทำบุญที่บ้านทำบาปเราก็ทำบาปถ้าเราไปเกิดในบ้านที่เขามีอาชีพทาบาปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าปลาฆ่าอะไร เราก็ทำกับเขาเพราะเราไม่รู้ภาษีภาษาเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ลูกทำบุญเราก็สอนให้เขาทำบุญก่อนอยากให้ลูกเข้าวัดก็พาเขาเข้าวัดอยากให้ลูกฟังเทศฟังธรรมเราก็ไปไปนั่งนั่งฟังเทศฟังธรรมกันไปวันนี้พาลูกมานี่หายไปไหนลนะไปไหนวเนยาวไปมนละ <c oughs> ้ก็ นี่ละต้องต้องพาเขาพาเขาทาแล้วเขาก็จะทาตามแต่ก็เขาจะทำได้ในขีดหนึ่งคือถ้าเขามีของเดิมอยู่ที่ต้านคาสอนของเราพอเขาโตขึ้นเขาก็จะอาจจะไม่ทำก็ได้เพราะว่ามันเขาไม่รับสิ่งที่เราสอนอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าเขาไม่ต้านเขารับเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะเอาไปทำต่อ หน้าที่ของเราก็มีหน้าที่สอนเขาก็สอนเข้าไปเราเป็นอาจารย์คนแรกของลูกบุพก า, ารย์เขาเรียกพ่อแม่นี้เป็นบุพก า, ารย์ของลูกๆเราทําอะไรเราก็สอนเขาจากการกระทำของเราเราทําดีแล้วก็สอนให้เขาทาดีตามเราต่อไปครับการทําบุญโดยการใส่บาตรบริจาคทานบางครั้งไม่ได้ตรวจน้ําบุญนี้เราจะได้ไหมคะ อ๋อบุญที่เราทำนี่เราได้อยู่แล้วการกวดน้ำนี่คือการแบ่งบุญที่เราได้จากการทํานี้ให้กับพวกที่ล่วงรับไปแล้วถ้าเราไม่อุทิศท้าก็ไม่ได้แต่ไม่ต้องใช้น้ําอุทิศใช้ใจอุทิศน้ําไม่ได้เป็นบุญแต่ใจของเราที่มีความสุขจากการทําบุญนี่แหละเป็นเป็นบุญที่เราอุทิศไปคําถามต่อไปจากคุณวันวิสาครับถ้าเรารักษาสิงหห้าทุกวันสวดมนต์ทุกวัน แต่ระหว่างสวดก็ยังฟุ้งซ่านอย่างนี้จะพ้นอบายภูมิได้เป็นที่แน่นอนไหมคะถ้าเราไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดกระพนถ้าเรายอมตายระหว่างการไม่ทำ บ, บาปกับการตายในถ้าเรายอมตายเพื่อทีเ่เพื่อที่เราจะไม่ทแบบาบาปเช่นสมมติเราอดอดอยากขาดแคลนตกงานไม่มีเงินหาอาหารต้องไปตกปลาเพื่อเอามาเป็นอาหารเราไม่ตกดีกว่า ยอมไปหาผักกินแทนอะไรทำนองนี้ยอมยอมอดอยากแต่ไม่ยอมไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่ อ, อามาเป็นอาหารถ้าจะต้องตายเพราะความอดอยากก็ยอมตายแต่จะไม่จะรักษาศีลอ่า ย, ยิ่งกว่าชีวิตถ้าเป็นอย่างนี้ก็ตายไปรับรองได้ไม่ไปอบายคงถามจาก f facebook Live คาถามจากคุณเอม็ม ผมเป็นลูกคนเดียวทุกวันถือศีลให้ทานและภาวนาวันละสามสิบนาทีแต่ใจตอนนี้อยากบวชมากครับแต่อีกใจหนึ่งก็เป็นห่วงบิดามันดาเพราท่านแก่แล้วแบบนี้ผมจะถึงสัมมาทาวนาและไปจนถึงวิปัสสนาได้ไหมครับคือจะไปได้ไม่ได้มันก็อยู่ที่ปริมาณของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติมากมันก็ได้ถ้าปฏิบัติมันน้อยมันก็ไม่ได้เั้น การเป็นคารวานหรือเป็นพระนี้มันก็สามารถปฏิบัติได้อยู่ที่ว่าเราสามารถหาเวลามาปฏิบัติได้หรือไม่ท่านั้นเองไปเป็นพะระบางทีมีเวลาปฏิบัตกิก็ไม่ได้ปฏิบัติก็มีเยอะแยะเดี๋ยวก็ไปเจอกิจกรรมอย่างอื่นดึงไปหมดการจะบวชพระนี้ก็ต้องไปหาวัดที่เขามีแต่การปฏิบัติถ้าไปบวชกับวัดที่เขามีกิจกรรมอย่างอื่นก็จะไม่ได้ปฏิบัติ อย่างตอนที่เราไปปฏิบัติเราก็ตั้งเงื่อนไขไว้แล้วว่าถ้าเราบวชนี่เราจะไม่รับกิจนิมนต์เราจะไม่เอางานอะไรนอกจากงานภาวนาอย่างเดียวถ้าไปเจอวัดที่มีงานกิจกรรมที่ต้องไปสวดศกไปสวนตามบ้านไปทำอะไรนี่เราไม่บวช ด, ดีกว่าเพราะตอนที่เราไม่บวชนี่เราปฏิบัติได้เต็มที่เหตุที่เราต้องบวชก็เพราะว่าไม่มีเงินเงินหมด เงินที่จะซื้อข้าวมันไม่มีก็ยังนถ้าจะถ้าจะถ้าจะไม่บวชก็ต้องไปทำงานถ้าไปทำงานก็ไม่มันก็ไม่มีเวลามาปฏิบัติจริงๆนี่พูดจริงๆนะไม่ตอนที่เราเราจะงานแล้วก็มีเงินแค่ก้อนเดียวอยู่หกพันมึงเราก็คิดว่าอยู่ได้ปีหนึ่งอ่อครบปีนี้มันก็ใกล้จะหมดนะถ้าไม่บวชมันก็ต้องไปทำงานเพราะเราไม่คิดไปของเงินใคร โตแล้วเรียนจบแล้วหางานเองได้แล้วยังจะไปขอเงินคนอื่นมันก็ยังไงอยู่มันก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องไปบวชแต่บวชก็ต้องไปหาวัดที่มีแต่การปฏิบัติซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ได้ยินได้ฟังเรื่องอครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นจนวันที่เราตัดสินใจจะไปบวชเราเลยไปคุยกับพระที่อยู่ใกล้บ้านท่าว่าท่านก็พอดีไปกับครูบาอาจารย์ทางสาย ของหลวงปู่มั่นพอดีท่านก็เลยบอกว่ า, าถ้าจะบวชปฏิบัติต้องไปทางอีสานนึ่นแล้วก็ถ้าจะบวชก็ไปบวชที่วัดโบนสมเด็จสังฆราชซึ่งตอนนั้นเป็นสมเด็จพระญาณสาังวรท่านจะเมตตาบวชให้แล้วท่านก็จะอนุญาตให้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ต่างๆได้เพราะตามกฎของพระวินัยนี่ถ้าบวชกับใครจะต้องอยู่กับคนนั้น5ปีก่อน ต้องอยู่กับอุปชาหรืออาจารย์หรือรูปใดรูปหนึ่งถ้าท่านอนุญาตให้ไปอยู่กับอาจารย์ก็ต้องไปอยู่กับอาจารย์รูปนั้นต่อเป็นอาจารย์แทนท่านอะไรถ้าถ้าไปบวชกับพระที่เอาไปคุยด้วยท่านก็บอกว่าต้องอยู่กับท่านที่วัดของท่านแต่ว่าของท่านไม่ได้เป็นวัดปฏิบัติเวัดของท่านมีกิจกรรมมีเรียนหนังสือมีกิจนิมนิมีงานสวดอะไรต่างๆซึ่งไม่ได้เป็น ปหมายที่เราต้องการตั้งกันเลยเนี่ยวให้ไปบวชที่วัดบวรแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานว่าทางภาคอีสานนี่เขาจะไม่มีกิจกรรมต่างๆเขาจะภาวนาโดยเฉพาะวัดหลวงตาไม่มีเลยกินที่มณไม่มีมีแค่บินทบาทบินทบาทตอนเช้าฉันเสร็จปั๊บก็กลับไปกุฏิไปภาวนาได้จนถึงวันรุ่งขึ้นก็ออกบินทบาท แล้วก็มีการอบรมสั่งสอนเป็นระยะระยะให้ความรู้ต่างๆก็เลยก็เลยตัดสินใจไปบวชไปจะได้แก้ปัญหาเรื่องปัจจัยสี่นี่ไปจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องหาอาหารถ้าอยากจะอยู่แบบค า, ารวะแล้วปฏิบัติต่อไปก็ต้องไปหางานทำถ้ามีงานมันก็มันก็วุ่นเวลาใจคิดกับเรื่องงานเรื่องการมันก็ต้องวุ่น แล้วก็มันก็จะมีเวลาทําใจให้สงบน้อยลงไปก็เลยโชคดีได้พบกับคนที่แนะนำองค์แรกเป็นเป็นพระพระที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยวันนี้ท่านก็สนใจการปฏิบัติพอดีก็เลยได้ได้คนแนะนำที่ถูกทางไปแต่ถ้าแนะนำไม่ถูกเราก็ไม่ไป่ะ เราตั้งโจทย์เวลาวว่าเราต้องไปภาวนาอย่างเดียวเราไม่ไปทำอย่างอื่นว่าเราไม่เห็นอะไรจะมีประโยชน์เท่ากับการภาวนาเราให้ไปสร้างโบวถสร้างเจดีสร้างอะไรต่างๆเราก็ไม่เอานะเือกี้คุยตอบคำถาใครเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะตอบไว้ยังตอบไว้นะเรื่องที่เขาจะบวชใช่ไหมที่จะอยู่เป็นค า, ารวาสหรือเป็นพระนีใช่ ถ้ายังปฏิบัติเป็นคาราวะาได้ก็ปฏิบัติไปเถิดจะได้ดูแลพ่อแม่ไปด้วยถามพ่อแม่ออกจากงานได้ไหมจะได้ดูแลพ่อแม่ได้เต็มที่เราจะได้มีเวลาปฏิบัติพอดูแลพ่อแม่จริงๆก็ดูแค่ไปหาซื้อข้าวไห้ท่านกินแค่ น, นี้เวลาไม่สบายก็พาไปหาหมอเวลาอื่นก็มีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่คําถามจากผู้มประสองค์ออกนาม การรักษาศีลแปดถึงแม้จะอยู่เป็นคู่แต่ไม่ได้ทำตัวเหมือนอยู่เป็นแฟนกันแต่อยู่เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าโดยที่ไปทำทานรักษาศีลและปฏิบัติภาวนาไปด้วยกันไม่เคยขัดกันเลยเรื่องนี้และศีลข้ออภรัมรมจัจริยาก็ทำได้ทั้งคู่มานานแล้วอย่างนี้พอจะไปได้ในทางทำด้วยกันได้ไหมคะได้ได้ถ้ามันถ้ารักษาศีลแปดได้ก็ ก็ไม่ไม่เสียหายถึงแม้จะอยู่ใกล้กันกลัวว่าต่อไปเวลาเกิดมันเผอสติขึ้นมาเกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาเนี่มันจะมันจะเบรกอยู่หรือเปล่าเวลามันอยู่ใกล้ๆกล้กันเดี๋ยวมันจะสลิดวอลกกันหรือเปล่าคำถามจากคุณพิมพรเวลาดิฉันไปวัดจะถวายของให้พระอาจารย์ทุกครั้งที่ไปวัด ดิฉันกลับเรียนถามว่าก่อนนําของถวายดิฉันให้เพื่อนร่วมบุญจบของที่จะไปถวายดิฉันจะได้บุญที่ทําไหมครับคือของถ้าเป็นของเราก็เป็นบุญของเราเราก็จะได้บุญถ้าเป็นของเพื่อนเราก็ไม่ได้บุญอย่นของต้องเป็นของเราเร า, เร า, เ, ราเราจะถวายเองหรือให้คนอื่นไปถวายให้เราก็ได้มันก็เป็นบุญของเราอยู่ดีคือบุญนี้เกิดจากการเสียสละไง ระของที่เป็นของเราไปเวลาเราเสียสระของที่เป็นของเราไปใจเราจะโลง่งจะเบาจะมีความสุขคำถามจากคุณสมชัยผมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดเลยครับแต่ผมให้ทานอยู่ที่ว่าเร า, เาไม่ทำบาปได้ไหมถึงขั้นแบบว่ายอมตายาถ้ายอมตายโดยที่เราจะรักษาศีล อย่างนี้เราก็จะไม่ไปอบายแต่ถ้าเรายังอาจจะทาบ้างไม่ทาบ้างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญเรามากกว่าบาหรือเปล่าถ้าบุญเรามากกว่าบาปเราก็ยังไม่ไปอบายแต่ช่วงไหนที่บุญมันน้อยกว่าบาปช่วงนั้นเราก็ต้องไปอบายคำถามจากคุณทวิชา ใจหนูอยากแต่จะทําบุญใส่บาตรกับพระที่ปฏิบัติดีเท่านั้นทําให้ไม่อยากออกไปใส่บาตรพระใกล้บ้านเพราะเกิดจากความไม่มั่นใจหนูยึดติดเกินไปไหมคะและอยู่ในขา่ายความลังเลสงสัยในพระสงฆ์หรือเปล่าคะ อ, อ๋อไม่หรอกเราไม่ลังเลแล้วเร า, เ ร, ารู้พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างไรและการที่เราจะเลือกทําบุญนี้ก็ไม่เป็นเรื่องที่เสียหายตรงไหน ถ้าเราอยากจะทําบุญกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เรายังไม่สามารถไปทําได้เราก็เอาเงินที่เราจะทําบุญนั้นใส่กระปุกไว้ก่อนพอเรามีเวลาที่จะไปวัดที่เราต้องการไปวัดที่เรามีศรัทธามีความเชื่อว่าเป็นวัดที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็เอาเงินที่เราเก็บไว้นี้ไปทําบุญได้เราไม่ควรปฏิเสธการทําบุญ อย่าไปอ้างว่าอยู่ตรงนี้ไม่มีพระดีก็เลยไม่ทําเอาเงินไปเที่ยวแท น, นอย่างนี้ไม่ได้ก็เอาเงินที่จะทําบุญเนี่ยเอาไปเก็บไว้ก่อนใส่กระปุกไว้แล้วพอเวลามีเวลาไปวัดจะได้มีเงินไปทําบุญไงแต่ถ้าเราอ้างว่าโอ๊ยพระทานนี้ไม่ดีไม่ทําบุญเอาเงินไปกินเหล้าดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าพอถึงเวลาไปทําบุญก็มีเงินนิดเดียวไปทําบุญคําถามจากคุ้กุ้ง พระนิพพานมันคืออะไรคะคือใจที่สบายที่ไม่มีความโลภโกรธหนอง เ, นเรียกว่าพระนิพพานคําถามจากคุณพระจันทร์เมื่อเราทําผิดเราสํานึกผิดแต่สังคมยังไม่ยอมให้โอกาสเราควรทำอย่างไรครับก็ อ, อย่าไปพึ่งสังอย่าไปกงังวลกับสังคมเลยพึ่งตัวเองเ อ, อเรื่องของคนอื่นเราไปบังคับเขาไม่ได้เขาจะให้โอกาสเราหรือไม่นี่มันเป็นเรื่องของเขา แต่เราสามารถพึ่งเราตัวเราเองได้ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นหางานที่ดีไม่ได้ก็ไปเก็บขยะก็ได้ไปเดินตามข้างถนนเนี่ยมีซั์เยอะแยะไปหมดเลยขวดเอวยกระป๋องเลยเดินเก็บมาขายได้บ้านเมืองก็ทักช่วยรักษาให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นมาเอยถ้าเราไม่เลือกงานแล้วเราไม่ต้องพึ่งใครหรอกเรามีผลงานแล้วเดี๋ยวก็มีคนที่ยินดีที่จะจ้างเราไปเอง ขอให้มีความขยันะนะมีความขยันความซื่อสัตย์แล้วรับรองได้ว่าไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่คนอยากจะจ้างเราถ้าเราเป็นคนไม่มีความซื่อสัตย์มีความเกลียดค้านก็อย่าไปหวังให้เขามาจ้างเราเลยคํถาถามจากคุณชนาภาการภาวนาทําให้เห็นทุกข์ใช่ไหมคะเห็นทุกอย่างเห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งสุขเห็นทั้งกิเลสเห็นทั้งธรรม เห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานเห็นหมดนะถ้าภาวนาเราจะเห็นหมดคำถามจากคุณพัทละพงใจผมชอบภาวนาเฉยๆแบบที่อาจารย์ว่านะครับแต่บนทางโลกชอบว่าผมโง่ไม่คิดอะไรสร้างไม่คิดอะไรสร้างอะไรชอบใช้แต่หัวล่างไม่ชอบใช้หัวบนคือใจผมนั่งสมาธิแล้วมีความสุขกว่านะครับ ผมควรเรื่องอย่างไรดีกาบนมัสการบางทีผมก็ไม่ท้อจนไม่อยากจะทําแล้วครับอ่าความสุขเราอยู่ที่คําพูดของเขาแล้วอยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราทําอะไรแล้วมีความสุขเราจะไปกังวลกับคําพูดของเขาทํำไมเราก็ทําของเราไปสิเรามีความสุขจากการภาวนาแล้วก็ภาวนาของเราไปส่วนคนอื่นก็จะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ไปทําให้เขาเดือดร้อนเสอย่างเราเพื่อไม่ต้องไปกังวล คำ ถ, ถามจากคุณปลายฟ้าเนื่องจากคำตอบทำบุญกับลูกลูกฝากเงินให้แม่ทุกเดือนโดยทราบว่าแม่ไปทำบุญตลอดเขาบอกว่าหนูฝากเกินให้500ให้แม่ช่วยทำบุญลูกจะได้บุญใช่ไหมคะได้ถ้าเป็นเงินของเขาคำ ถ, ถามจากคุณออมตอนเป็นเด็กจะท่องน้ำโมตลอดก่อนนอนทุกวันเพราะครัวผีพอกลางวัน ไม่มีใครแล้วหายใจเข้าออกสาสี่ครั้งแล้วจะได้ไปเที่ยวอีกพบหนึ่งโยมก็ไปทุกๆวันค่ะจนจบปหกตอนนี้ถ้าดูอะไรนิ่งๆก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันขอคำแนะนำค่ะแนะนำยังไงไม่รู้เหมือนกันให้แนะนำยังไงน้องเขียนมาใหม่ด้วยคำถามจากคุณแก้ว ถ้าเวลานั่งสมาธิแล้วนั่งหลังพิงฝาจะผิดไหมเจ้าคะเพื่อจะได้ให้นั่งมันนาน อ, อ่มันเราไม่ต้องการนั่งนานหรือไม่นานเราต้องการนั่งให้มันสงบถ้าเรานั่งพิงแล้วมันสบายแล้วมันจะหลับมันจะเผอสติแล้วมันจะไม่สงบมันจะหลับแทนงั้นอย่าไปนั่งพิงฝาต้องนั่งตัวตรงอ่าแล้วก็อย่าไปพิงสติมันจะได้ดีจะมีสติดีกว่าการนั่งพิง พอมันสบายแล้วสติมันจะเผลอง่ายจะอ่อนง่ายเราจึงไม่นิยมในท่านอนไงเพราะท่านอนมันสบายเอาพูดโทรไปได้สองคำมันก็หลสติหายไปก่อนนะดังั้นอย่าจะไปนั่งให้มันสบายอ ย, อย่าไปนั่งฟูกนั่งบุญไม้แข็งๆนี่แหละจะได้ไม่ต้องลำบากเดี๋ยวจะไปนั่งสมาธิที่ต้องขนฟูกไปกันเห็นพระธวดงก็ขนฟูกไปกันหรือเปล่า เวลาเขาไปในป่าเขาไม่มีขนอะไรไปผ้าทุดงท่านก็นั่งไปตามอย่างมากก็มีผ้าหรือมีอะไรผืนบางๆปูเข้าไปเท่านั้นเองไม่เป็นไรให้มันเจ็บเจ็บมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ง่วงถ้ามันสบายแล้วเดี๋ยวมันง่วงอมันรู้สึกเจ็บนิดหน่อยแล้วมันก็จะได้ไม่ง่วงสบายมากเกินไปก็ไม่ดีคาถามจากคุณแ ทางเดินจงกรมตามแบบของหลวงตามหาบัวมีวิธีเดินยังไงเริ่มเดินหันหน้าไปทางทิศไหนระยะทางการเดินประมาณไหนกราบขอเมตตาพระอาจารย์ครับถ้าเป็นไปได้ท่านบอกว่าให้ทําทางจงกร ม, มตามตามตะวันคือทํางทิศ ต, ตะวันออกทิศ ต, ตะวันตกอย่าไปทําตามทิศเหนือทิศใต้ใเฉียงได้เฉียงเหนือเฉียงใต้ได้ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้อะไรอย่างนี้ได้อยู่ แต่อย่าไปให้ตรงกับทิศเหนือใต้อันนี้เป็นคําสั่งของหลวงปู่มัน่นแต่ก็ไม่มีใครถามว่าทําไมอะไรไม่รู้คาตอบเพะงั้นอย่าถามว่าทําไมนะก็กรู้ว่าครูบาอาจารย์สั่งนี้ก็แค่นี้นก็ไม่เห็นเป็นปัญหาเลยถ้าท่านห้ามไม่ให้เดินแบบนั้นเราก็อย่าไปเดินระยะทางที่ควรจะเดินก็ประมาณยี่สิบห้าเก้าเป็นอย่างต่ําประมาณกลางๆ ก, ก็ประมาณยี่บห้าเก้า อย่างต่มหรือถ้ายาวหน่อยก็สี่สิบเก้าแล้วแต่ว่าสถานที่มันพอหรือไม่พอแล้วความพอใจของเราบางคนไม่ชอบยืนเดินเดินยาวก็เดินสั้นหน่อยบางคนชอบเดินยาวก็ทำทางยาวหน่อยก็ประมาณยี่สิบห้าถึงสี่สิบเก้าคถามจากคุณเกษรินเวลาเราไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วเอา กุ้งเป็นปนมาย่างเพื่อกินเป็นอาหารจะบาปไหมคะถ้ามันเป็นแล้วเรามาย่างให้มันตายมันก็บาปเลย <c oughs> ถ้ามันตายแล้วก็ไม่บาปงั้นทำตัวนั้นมันเป็นก็อย่าไปจับมาย่างเอาตัวที่มันตายแล้วถ้าไม่มีตัวที่ตายแล้วก็อย่าไปกินมันถ้าไม่อยากจะทำบาปความสุขแค่ชั่วไปแล้วต้องต้องไปใช้กับไนยอบายมันไม่คุ้มนะ ต้องกลับไปเกิดเป็นกุ้งไม้เขาย่างเราบ้างมวนแล้วค่ะนเเป็นยังไงมี y o u t u อีกอีกหนึ่งคาถามค่ะทำมาแต่คุณมุชยาหลังสวดมนต์ทวัดเย็นได้กล่าวอุทิศบุญที่ทําในวันนี้ขออุทิศให้จุด ๆ, ๆก็หมายความว่าบุญใดๆที่เราทําใช่ไหมคะก็รวมถึงการทําทานในวันอื่นๆ ที่เราทําไว้ไม่ได้กรวดน้ําใช่ไหมคะอ๋อถ้าของวันอื่นมันหมดไปแล้วนะมันมันหายไปแล้วทําบุญทําทานนี่มันเชื่อแป๊บเดียวพอเราทําป๊บอารมณ์ดีเดี๋ยวเราไปคุยคนนู้นคุยคนนี้ทํางานนู่นทํางานนี่เดี๋ยวก็โกรธขึ้นมาละไอไอบุญอารมณ์ที่เราได้จากการทําบุญมันก็หายไปละดี๋ยวเราเวลาทําบุญแป๊บเราต้องอุทิศไป ท, ทันทีมันจะได้สดสดร้อนๆถ้าทิ้งไว้เราจะมันเน่ามันบูด ส่วนบุญอย่างอือย่าไปยังไม่มันยังไม่มันยังไม่ได้ผลบุญจากการนั่งสมาธิบุญจากการฟังเทศฟังธรรมนี่มันยังไม่เกิดผลเขาไม่นิยมอุทิศบุญด้วยการนั่งสมาจากการนั่งสมาธิหรือจากการฟังเทศฟังธรรมหรือจากการรักษาศีลเพราะว่ามันยังไม่มันไม่ได้มันยังไม่ได้ผลเต็มที่ดังนั้นวิธีที่อุทิศ ง่ายที่สุดก็คือทําบุญเสียเบริจากอย่าเสียได้เงินเลยถ้าอยากจะทําบุญอุทิศให้กับคนตายได้แน่ๆก็อุทิศแต่ถ้ารักษาศีลแล้วไปอุทิศให้เขานี่บางทีเกิดศีลเราด่างพร้อยแล้วก็จะอุทิศความด่างพร้อยไปให้กับเขาอ่าฉะนั้นขันที่นิยมกันก็นิยมการทําทานแล้วก็อุทิศบุญที่ได้จากการทําทานไปมากน้อยก็ทําไปตามกําลังของเรา อ, อีกข้อเลยนะของคุณอมอที่คำแนะนำามา่อกอ่าอเรียนถามเป็นเพราะอะไรคะถึงเป็นแบบนี้ตอนเด็กๆจะพูดกับสัตว์จนผู้ใหญ่ดา่าเลยไม่กล้าพูดให้ใครฟังมีครั้งหนึ่งผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่ฆ่างูโยมได้ยินเข้าก็บอกขอทอดขอทอดลูกก่อนเพราะเขาต้องก่อ้ขอทอดลูกก่อนนะทำไงเนี่ยงงอะไร ไม่ทราบนะยังนก็แล้วไปนะคิดว่าหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรั้มถ้าไม่ไม่มีก็จะปิดประชุมแล้วนะอขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพณิพินพจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิน